อาตมากำลังเดินทางอยู่ในบริเวณแหลมยูคาเทนในกวัวเตมาลามุ่งหน้าสู่พีระมิดเก่าแก่ที่เป็นถูกค้นพบได้ไม่นานนะักพีระมิดสมัยอารยธรรมมายันที่สูญสิ้นไปนานแล้วในสมัยนั้นการเดินทางยากลำบากมาก ต้องใช้เวลา 3-4 ถึงวันทีเดียวที่จะเดินทางเพียงสอง0กิโลเมตรจากอุเตมาลาซิตี้ไปยังทิกัลซึ่งเป็นซากปรักหักพังของกลุ่มโบสถ์วิหารโบราณอาตมาต้องนั่งเรือหาปลาที่ชุ่มโชกไปด้วยน้ำมันทวนแม่น้ำสายแคบๆหลายสายในเขต ป, ป่าร้อนชืน้นนั่งบนกองสัมภาระบนรถบรรทุก ซึ่งขนของเกินพิกัดจนเสี่ยงอันต ร, รายขณะวิ่งลงเขาบนถนนที่แสนจะกดเคี้ยวและฝุ่นคลุงแล้วยังต้องนั่งรถล่ากที่โยกเยกและส่งเสียงเอีย๊ยดอาไปบนทางเล็กๆผ่านป่าดงดิกด้วยมันเป็นดินแดนที่ไกลโพ้นยากจนคนแข็งและเก่าแก่ิ ในที่สุดอาตมาก็ไปถึงโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งเต็มไปด้วยซากป ร, รักหักพังมากมายของวิหารและปิรามิดที่ถูกทิ้งร้างมานานอาตมาไม่มีมักกุเทศและแม้แต่นังสือท่องเที่ยวที่จะบอกอาตมาถึงความหมายของแท่งหินชี้ขึ้นฟ้าที่ดูน่าประทับใจเหล่านั้น อาตามาจึงเริ่มปีนขึ้นไปบนพีระมิดสูงๆนั้นเมื่อขึ้นไปถึงยอดพีระมิดความหมายและจุดประสงค์ทางาศาสนาของพีระมิดเหล่านั้นก็ประจักษ์ชัดแก่ใจของอาตามา 3วันที่ผ่านมานั้นอาตมาเดินทางอยู่แต่ในป่าดงดิบทั้งถนนทางเดินและลำน้ำเหมือนอยู่ในอุมโมงค์ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวหนาทึบแม้จะเป็นทางสัญจรใหม่ใดๆป่าจะสามารถแผ่ปกคลุมราวกับเพดานอุมโมงค์ได้อย่างรวดเร็วอาตมาไม่ได้เห็นเส้นขอบฟ้าเลยเป็นเวลาหลายวัน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 อาตมายังสามารถมองไปจนสุดสายตาในทุกทิศทุกทางโดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้นอยู่แม้แต่น้อยยืนอยู่วันนั้นราวกับยืนอยู่เหนือโลกทั้งใบอาตมาวาดภาพว่ามันจะเป็นเช่นไรเมื่อหนุ่มสาวชาวมายันผู้ที่เกิดในป่าดงดิบเติบโต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 ยืนอยู่ณยอดเปียรมิตรประตูระหว่างสวรรค์และโลกไม่มีบุคคลไม่มีสิ่งของไม่มีคําพูดใดๆระหว่างกันและไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดในทุกทิศทานความหมายที่โดดเด่นจากทัศนียภาพเบื้องหน้ากล้องกังวานในจิตใจของเขาความจริงประจักษ์ชัดและนำไปสู่ปัญญา